ที่เราคล้องนี้แหละเป็นที่มาแห่งน้าํ า, าตาอาโปธาต์นั่นแหละเป็นที่มาแห่งน้ําเลือดอาโปธาต์เป็นที่มาแห่งน้ําน้ํำนมและก็เป็นที่มาแห่งเหงื่อทั้งหลายเพราะันความที่เราติดข้องในมหาพูดนี่แหละเป็นเหตุแห่งกองทุกทั้งหลายเหล่านี้ทุกแล้วทุกเล่าโศกแล้วโศกเล่าเนี่ยนะอันนี้ถ้าถ้าพิจารณาอาโปธาต์จะเห็นภายในอาโปธาต์ทีนี้ถามว่าแล้ว ปัวีธาตุนี่น่ากลัวไหมปัทวีธาตุเช่นปัทวีธาตุที่มีอยู่ในกายนี้ก็คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอนกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืด ม, ม้ามปอดอนะลำไส้สายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองอนะมีสูตรหนึ่งพระองค์บอกว่าเธอเบื้องต้นแห่งสังสารวัฏเนี่ยไม่ปรากฏเบื้องปลายก็ไม่ปรากฏ เธอตายชาติแล้วชาติเล่าเธอเพิ่มพูนแผ่นดินแผ่นดินเป็นที่รวมแห่งป่าชาของเธอที่เก็บผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเนี่ยนะทุกชาติทุกชาติทุกชาติไปเนี่ยนะที่ไหนมั่งในโลกนี้ไม่เป็นป่าชา้ามีไหมทุกแห่งก็คือป่าชา้าเพราะเราทั้งหลายก็เป็นผู้เพิ่มพูนป่าชา้าเพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าชา้าเพราะทุกแห่งเนี่ยนะจะมีซากสัตว์อยู่ทุกขนทุกแห่งใช่ไหม ทุกแห่งเนี่ยถ้าวิจัยออกมาแล้วก็มีเคยมีน้ําเลือดเคยมีผมมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเศษกระดูกแม้กระทั่งในทรายทะเลทรายสวยๆนาอะไรนะน้ําใสหาดสวยทั้งหลายก็ยังก็ยังประกอบด้วยทรายสวยๆเหล่านั้นก็ยังเปิดปนด้วยกระดูกของสัตว์ทั้งหลายเนไหันสรุปว่าเรามาเพิ่มพูนกระดูก ทุกพบทุกทุกชาต more more Q, students, ิเฉพาะกระดูกก็มากกว่าแผ่นดินเฉพาะเนื้อเฉพาะเฉพาะเนื้อนะเนื้อที่เสียไปบริจาคเนื้อไปแต่ละชาติแต่ละชาติเกิดเป็นหมูนี่เขาเอาเนื้อเราไปทําอะไรถ้าเกิดเป็นสัตว์ที่เขาเอาเนื้อเราไปเนี่ยนะเนื้อของเราทั้งหลายที่ที่ที่จากสระสระสละออกไปเนื้อที่ที่หมดไปเนี่ยนะถ้าเก็บสะสมสะสมสะสมมากกว่าแผ่นดินหลายเท่า มากกว่าโลกนี้นะโลกทั้งโลกนี่เก็บเนื้อเราไว้คนเดียวโลกทั้งโลกนี้เก็บกระดูกของเราไว้คนเดียวเพราะฉะนั้นความที่เราติดในปฐวีธาตุเราติดในปฐวีธาตุนี่แหละจึงสร้างโลกขึ้นโลกนี้เกิดขึ้นเพราะการยึดติดในปฐวีธาตุ น, นะวันถ้าเก็บน้ํเาเก็บเก็บทุกอย่างเอาไว้กองกองกันเนี่ยจึงมากไปเพราะฉะนั้นเราจึงเคารพผมของพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์เลิกสังสมผมต่อไปอีกแล้วเลิกสังสม กระดูกสเลิกสะสมฟันอะไรเป็นต้นหมดแล้วซึ่งต่างจากสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเที่ยวสแสวงหาสัตว์ทั้งหลายนี่เที่ยวสร้างผมเที่ยวสร้างขนสร้างเล็บสร้างฟันสร้างหนังดงั้นการไปเที่ยวบริโภคนั่นแหละคือการไปเที่ยวสร้างมหาพูดเนี่ยนะสร้างมหาพูดสร้างผมสร้างขนดังนั้นถ้ามองในลักษณะนี้ถามว่าพยากณเราจะเกิดได้ไหม วัฏฏะทั้งหลายน่ากลัวไหมก็น่ากลัวเพราะพยาญาณอาทีนวายานนิพิทายานที่เกิดขึ้นเขาจะเริ่มพิจารณาอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละจะเริ่มเห็นมันอนมัมตะฆะสังยุทธ์นั่นแหละคือยานระดับสูงที่ทําให้เห็นภัยในวัฏฏะอย่างแรงกล้าเพราะว่าที่ใดที่ไม่มีภยัยที่ใดที่ปลอดภยัยถ้ายังอยู่ในโลกของดินน้ําไฟลมโลกแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ปลอดจากภายัย ไม่มีเลยทุกหนทุกแห่งนี่มีแต่ไัยหมดเลยเมื่อกี้นี้พูดถึงธาตุดินธาตุน้ําเลยถ้ามาลองดูธาตุไฟมัง้งธาตุไฟที่ไหนที่ไฟไม่ลุกท่วมมีไหมอยู่กลางทะเลถูกเผาตายได้ไหมอยู่กลางทะเลแม้แต่น้ําทะเลแปรมาเป็นน้ําเพลิงก็ได้ทดันทีถ้าน้ํามันเอาไปผสมพร้อมที่จะจุดลุกเป็นเปลวไฟได้แผ่นดินตรงไหนที่ไฟไม่มีเคยไหม้มั้งมีไหม ไม่มีสริระของผู้ใดจะไม่ถูกไฟไหม้มีไหมไม่มีสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาก็เนี่ยอยู่ที่ไหนที่พ้นจากไฟไหม้ยังไม่มีแล้วก็จริงๆนะทุกคนนี่ถ้าเอา ก, กล้องอีกชนิดหนึ่งมาจับนะไฟเนี่ยมันมันระอุมาจากตัวเลยนะคือคือจริงๆเอ่อคมีกล้องอีกชนิดหนึ่งที่เรานั่งนั่งกันอยู่เนี่ยไฟเนี่ยมันออกมาจากตัวจริงๆเพราะเพราะอุณหภูมิที่มันออกมาจากตัวนะเพราะนั้นเอ่อ มีอุณหภูมิที่ที่ออกมาจากตัวเพราะฉั้นเขาวัดออกมาเป็นเปลวไฟได้นะนะความร้อนนะนะที่สมัยใหม่ก็เรียกรังสีหรืออะไรรังสีหรือรัศมีหรืออะไรก็แล้วตามแต่เธอแต่ว่าทุกคนเนี่ออกมาจากตัวนะแต่ว่าโดยโดยทั่ ว, ว, ว, วไปก็ถ้าโทรสะก็รังสีอมมหิตใช่ไหมถ้าตันหาละ่ะรังสีชนิดไหนก็สรุปว่าแผ่รังสีกันออกมาตลอดเวลากันอ่าเมื่อ ธาตไฟเนี่ยพร้อมที่จะลุกทุกขนทุกแห่งลุกทุกที่พร้อมที่จะเผาไหม้ที่ไหนมั่งที่ไม่ถูกไฟไหม้ไม่มีในโลกเนี่ยนะคิดด้เถอะที่ไหนไม่มีไฟไหม้ไม่มีในโลกเพราะฉะนั้นในโลกนี้ก็เป็นที่ที่ตั้งแห่งเพลิงเนี่ยแผดเผาเผาให้เป็นจุนวิจุนแตกสลายทําลายไปแล้วที่ใดที่ลมไม่พัดมีไหมเนี่ยนะไม่มีเพราะฉะนั้นดินน้าไฟลมเนี่ยนะ ถ้าเป็นลัทธิอื่นศาสนาอื่น ท, ที่ที่ที่ไม่ใช่ศาสนาของพระพุทธเจ้าจะสอนให้ชื่นชมในธาตุดินสอนให้ชื่นชมในธาตุน้ำสอนให้ชื่นชมในไฟและลมศาสนาของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เห็นโทษของธาตุดินน้ำไฟและลมมันพระองค์จึงผู้ที่เจริญพยะยานพยตูปฐานายานอาทีนวายานนิพพิทายานเนี่ย เขาจึงเห็นว่ า, าธาตุดินนี่ก็เหมือนกับอสสารพิษ ช, ชนิดหนึ่งาธาตุไฟก็เป็นอสสารพิษ ช, ชนิดหนึ่งาธาตุน้ําก็เป็นอสสารพิษ ช, ชนิดหนึ่งาธาตุลมก็เป็นอสสารพิษอีกชนิดหนึ่งเพราะคําว่าอสสารพิษนี่แปลว่ากัดแล้วก็ว ก, ก็ตายใช่ไหมอย่างในร่างกายของเราเนี่ยนะส่วนไหนที่มันกัดแล้วไม่นํามาซึ่งความตายมีไหมในร่างกายเนี่ยนะทังวันก่อนไปเยี่ยมโยมที่เป็นโรคปอดเนี่ยนะเป็นยังไง ปอดก็เป็นเหตุแห่งความตายง่านบอกไปศูนย์โรคหัวใจหัวใจก็เป็นเหตุแห่งความตายลำไส้ก็เป็นเหตุแห่งความตายะฟันก็เป็นเหตุแห่งความตายเพราะถ้าใครไม่มีฟันนีอายุจะไม่ยืนเท่าไหร่เพราะว่าฟันไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีฟันก็ทําให้การบดการเคี้ยวมันไม่มีคุณภาพชะนั้นก็ทำให้อายุไม่ยืนเท่าไหร่เขาบอกว่าสัตว์พวกช้างพวกอะไรเป็นต้นนะเพราะตายส่วนหนึ่งก็เพราะฟันผุเนี่ยนะที่ที่ตายส่วนหนึ่งเพราะฟันผุเนี่ยนัน ฟันก็เป็นเหตุแห่งความตายมันถ้าหมดฟันไม่มีฟันหรือฟันบวมตลอดเวลาเลยนะเคี้ยวอะไรไม่ได้เนี่ยอายุยืนไหมอายุก็ยืนไม่ได้ผิวหนังถ้าผิวหนังไม่หุ้มร่างกายเนี่ยคิดว่าจะอายุยืนไหมก็อายุไม่ยืนอีกอ น, นะเพราะหนังเนื้อกล้ามเนื้อก็เป็นเหตุแห่งความตายได้นะถ้ามันเป็นตะคิวทั้งหมดทั้งร่างกายเลยนะตะคิวทั้งหลายก็เกิดจากอะไรก็เกิดจากกล้ามเนื้อใช่ กล้ามเนื้อก็เป็นเหตุแห่งความตายกระดูกก็เป็นเหตุแห่งความตายฟันก็เป็นเหตุแห่งความตายสรุปในร่างกายนี่มันเข็นมันฆ่ากันหมดเลยเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นมหาพูดเป็นมหาพูดอันใครที่เจริญพยตูประานญนานมากๆนี่จะเริ่มมองเห็นว่าทุกอย่างเนี่เป็นเป็นมหาภัยจริงๆมหาพูดเหล่านี้ที่เป็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมเป็นอสสารพิษอย่างนี้เนี่ยนธาต ธาตุสี่ประชุมกันเรียกอะไรเรียกว่ามหาพูดมหาพูดเป็นเหตุใกล้แห่งอุปาทายรูปที่เป็นที่มาให้เรียกว่ารูปประคันรูปประคันรูปประคันเหล่านี้ผู้ผู้มีพยตุประฐานยญาณเนี่ยมองเห็นเหมือนอะไรเหมือนเห็นเพชฌฆาตเป็นผู้ฆ่าซึ่งกันและกันนะมหาพูดทั้งหลายก็ฆ่ามหาพูดเวทนาทั้งหลายก็ฆ่าเวทนา เวทนาก็ฆ่าเวทนาสันโสมนัสฆ่าโทมนัสเป็นต้นเนี่ยนะโทมนัสฆ่าโสมนัสเวทนายังเข็นยังฆ่ากันเองเลยสัญญาสังขารวิญญาณขันห้าเป็นตัวเข็นตัวฆ่าซึ่งกันและกันฆ่ากันกลับไปฆ่ากันกลับมาขันห้าจึงเข็นฆ่ากันนี้ถามว่าครบขันห้าได้ไหมแต่เชื่อไหมเราก็หวังอยู่ในขันห้าอยู่ร่าไปหวังว่าขันห้ามันจะ มันจะสุกอยู่บ้างทั้งๆ ท, ที่จริงๆแล้วขันห้าเป็นที่ตั้งแห่งภัยอยู่รอบด้านอายตนะสิบสองอายตนะภายในขันห้าเหล่านี้ถ้าอยู่ภายในเรียกอายตนะภายในเช่นอายตนะคือตาคือหูคื อ, คอจมูกคือลิ้นคือกายคือใจถ้าวิจัยให้ละเอียดทีท้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ดีอายตนะภายในเหล่านี้ก็คือบ้านร้างดีๆนี่แหละ มันร้างจริงๆนะเราค้นหาในตาเนี่ยคว้านดูในตาเถอะมันมีอะไรอยู่ในนั้นจริงๆบ้ง่งมีน้ำอะไรก็มีท่าเสียนะแต่ว่ามันไม่มีใครอยู่ในนั้นจริงๆตาทั้งหลายจึงเหมือนกับบ้านร้างหูทั้งหลายก็เหมือนกับบ้านร้างเรือนว่างจมูกลิ้นร่างกายหรือแม้กระทั่งใจทั้งหลายก็เหมือนกับบ้านร้างเหมือนกับเรือนว่างหาสารหาแก่นสารไม่ได้เลยเป็นที่ที่ให้โจรมาปล้นปล้นอากุศลออกไปหมด มันลืมตามองเห็นสีสีทั้งหลายนี่มาปล้นอากุศลไปหมดเพราะสีในโลกเป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะโมหะงั้นเมื่อมองเห็นสีภาพราคะก็เกิดโทสะก็เกิดโมหะก็เกิดเมื่อตาลืมลืมตามองเห็นก็ปล้นเอาบุญไปหมดหูได้ยินเสียงก็ปล้นเอาปล้นเอาอะโลพะอะโทสะอะโมหะออกไปหมดเหลือแต่ราคะโทสะโมหะเพราะเมื่อใดที่เห็น กิราคะโทสะโมหะก็ชื่อว่าถูกโจรปลน้นเมื่อใดที่ฟังเสียงแล้วราคะโทสะโมหะเกิดก็ชื่อว่าโจรปลน้นเมื่อใดที่รู้กลิ่นแล้วเกิดราคะโทสะโมหะก็ชื่อว่าถูกโจรปลน้นทวารทุกทวารอารมณ์ทุกอารมณ์รสทุกรสโพธะภาทุกโพธะภาเรื่องราวทุกเรื่องเป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะและโมหะขณะนั้นขอให้รู้เถอว่ากําลังถูกปลน้นแต่บางคนถ้าราคะเกิดก็ยินดีในการที่จะถูกปลน้นใช่ไหม โทสะเกิดก็บางคนโทสะนี่มีฉันทะเกิดร่วมด้วยจึงเต็มใจให้ปล้นโมหะเกิดก็ไม่รู้ว่าถูกปล้นเพราะนั้นก็เลยอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเป็นเหมือนกับโจรปล้นปล้นเอาอะโลพาออกไปปล้นเอาอะโทสะปล้นอโมหะปล้นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะปล้นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะปล้นสัมมาอาชีวะปล้นสัมมาวายมะปล้นสัมมาสติปล้นสัมมาสมาธิ ปล้นศีลปล้นสมาธิปล้นปัญญาปล้นไม่รู้ถูกปล้นมามากแล้วนะหมดตัวก็ปกติอยู่แล้วนะท่านอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยปล้นเอาอริยทรัพย์ออกไปสีที่เห็นก็ปล้นเอาศรัทธาศีลหิริโอตปะสุตะจาระปัญญาออกไปเสียงทั้งหลายก็ปล้นเอาอริยทรัพย์ออกไปกลิ่นรสโพธะพระธรรมารมณ์ทั้งหลายก็ปล้นเอาอริยทรัพย์ออกไปอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ยังปล้นสติประญานออกไปอีกไง ปล้นสัมมาประธานปล้นอกุศลเป็นที่ตั้งแห่งการปล้นจริงๆก็เหลือแต่บาปเหลือแต่อกุศลพ้นน้ําตาที่ท่องไปในวัฏะมันจึงมากเหลือเกินนี่นะน้ำเลือดที่สูญเสียไปที่ไรเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏะนั้นจึงมากจริงๆอันผู้ที่เจริญปัญญาปัญญาตัวนี้จักเห็นเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายเป็นโสกธรรมโตอารมณ์ทั้งหลายจึงเป็นพยาธิธรรมโตมรณะธรรมโต เพราะว่าอารมณ์ทั้ง6เนี่ยนะเป็นเหตุแห่งโศกะปริเทวะทุกโทมนัตอุปาญะเป็นเหตุ แ, บบแห่งบาแง่งอกุศลทั้งหลายมันผู้ที่มีปัญญาเจริญปัญญาระดับสูงนั้นจะเห็นว่าอารมณ์ทั้งมวลล้วนแต่ไม่ปลอดภัยอารมณ์ที่เป็นสังขารธรรมไม่ปลอดภัยโดยประการทั้งปวงมันเป็นมหาภัยดีๆนี่เองเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยใจไปกับอารมณ์ใดเคลื่อนเคลิบในอารมณ์ใดตัณหาก็นําเกิดในพบใหม่โดยอาศัย อารมณ์นั้นนั้นอารมณ์นั้นนั้นเป็นที่เกิดแห่งตัณหาทีนี้ในอารมณ์เป็นที่โคจรเนี่ยนะอารมณ์เนี่ยโดยสัย์แ ป, แปลว่าเป็นที่ยินดีแห่งจิตอารมณ์นะโดยสั์แปลว่าเป็นที่มายินดีแห่งใจเพราะฉะนั้นใจของสัตว์ทั้งหลายเที่ยวไปที่ใดบ่อยแสดงว่าเขาชอบที่นั่นใครไปที่ไห น, นบ่อยรับอารมณ์ใดบ่อยแสดงว่าชอบอารๆๆๆาามณ์นั้นเพลิดเพลินกับอารมณ์นั้น อารมณ์นั้นเนี่ยภา ษ, ษธาธรรมะเรียกว่าอารมณ์เป็นที่รักเป็นที่พอใจอารมณ์เหล่านั้นชื่อว่าปยรูปสาตรรูปความโศกความโศกความเสียใจความทุกข์ความขับแค้นก็เกิดจากอารมณ์อันเป็นที่รักเนี่ยนะอารมณ์ที่เราบอกว่าอารมณ์นั้นน่ารักอารมณ์เหล่านั้นแหละเป็นที่ตั้งแห่งความโศกเป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจเป็นที่ตั้งแห่งความขับแค้นใจเป็นที่ตั้งแห่งความลำบากใจนะ ยิ่งถ้าอารมณ์ใดที่ที่ตัวเองพอใจมากเท่าไหร่อารมณ์นั้นก็จะนำมาซึ่งความเสียใจมากเท่านั้นถ้ายิ่งเราไปตีค่าประเมินค่าว่ามีค่ามากเท่าไหร่หน่าดีใจเท่าไหร่อารมณ์นั้นจะเป็นที่มาแห่งน้ำตา ม, มากเท่านั้นเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจมากเท่านั้นเพรา ะ, ะนั้นอารมณ์เหล่านี้เนี่ยนะเป็นตัวอารมณ์เองเป็นเหตุแห่งโศกด้วยไอตัวความเพลิดเพลินนี่เป็นเหตุแห่ง พบใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายเนี่ยจึงปฏิบัติเพื่อละอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าไม่ควรทำสัตว์และสังขารให้เป็นที่รักเพราะบุคคลใดที่ทำสัตว์และสังขารให้เป็นที่รักที่จะพ้นจากความโศกไม่มีถ้าผู้ใดกลัวความโศกกลัวความทุกข์กลัววัะก็ต้องไม่ทาอารมณ์ให้เป็นที่รักและเป็นที่ พอใจเนี่ยนะแต่ก็ทําได้ยากทําได้ยากโยมเขาบอกโอ้ยทำอย่างนี้มันเหมือนกับตัดมือตัดแขนออกไปนะเนี่ยคำว่างั้นทํายากมากแต่ก็แต่ก็ไม่มีทางออกจริงๆถ้าทางออกอื่นมีขอชื่นชมในสังขารตลอดไปแต่ไม่ขอเสียใจกับสังขารเป็นไปได้ไหมเหมือนใครมีหลานสักคนหนึ่งขอชื่นชมในหลานคนนี้ตลอดไปโดยที่ไม่ยอมเศร้าใจกับหลานคนนี้เลยแต่ขอมองแต่ใน ในส่วนเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจทําได้ไหมย ม, มุดทําไม่ได้เลยนะยมุดรับรองเลยวนะ่าทำไม่ได้มีหลานคนเดียวมองอัศสธส า, าประตกเตียงเข้าหน่อยแล้วก็โศกกะเกิดเลยเนาะนี่อีกเรื่องหนึ่งนะถ้าโตขึ้นไปอีกจะโศกกะแบบนี้บ่อยๆลองกลับบ้านไม่ตรงเวลาดูเลยถ้ า, าออกไปเรียนนะกลับบ้านไม่ตรงเวลาโอ้ยยายนี่จะยายนี่จะป่วยให้ได้เลยนะปกติก็ป่วยอยู่แล้วฉนันก็ป่วยเพิ่มป่วยเพิ่มป่วยเพิ่มนั้นสรุปว่าอารมณ์อะไรก็ตาม เป็นที่ตั้งแห่งความพอใจอารมณ์นั้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ไม่มีอันนี้อย่างหนึ่งนะและอย่างหนึ่งการที่เรายัางยังไม่เห็นโทษของความเพลิดเพลินพอใจเนี่ยนะก็เหมือนกับว่ายังไม่เห็นโทษแห่งความทุกข์เปรียบเหมือนอย่างว่าการดื่มยาพิษเนี่ยมันเป็นทุกข์ใช่ไหมยาพิษที่ผสมน้าหวานเนี่ยผู้ใดดื่มก็ตามทุกข์ทั้งนั้นแหละเดือดร้อนทั้งนั้นแหละชั้นใด แต่ถ้าผู้ใดยังหิวในยาพิษอยู่ตลอดเวลาอยากดื่มยาพิษเหลือเกินขอให้มียาพิษอะไรๆได้ดื่มสักขวดเถอะหิวอยากดื่มแต่ยาพิษอย่างนี้นะ่ตันหามันหิวอยู่ตลอดเวลาหนักกว่าเสือหิวอีกทะเยอทยานหอยหิวไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเนี่ยคนนั้นชื่อว่าสร้างเหตุแห่งความทุกข์อยู่ไหมตันหานี่พรองตรัสอุ ป, ปมาว่าตัวความหิว มันกระหายอารมณ์ไม่อะไรนะอยู่เฉยๆมันก็หิวนึกนกหิวอารมณ์ขึ้นมาอยากเห็นบ้างหิวอยากจะได้ยินอยากจะรู้กลิ่นอยากจะรู้รสอยากจะรับกระทบโภตาภะอยากจะคิดเรื่องราวต่างๆไอ้ตัวความหิวตัวนี้ร้ายกาจมากเพราะตัวที่นําให้เกิดในในพบใหม่เนี่ยเป็นเพชฌฆาตคนที่หกผู้ฆ่าตัวตัวจริงเลยคือตัวความหิวหิวอารมณ์หิวที่จะเห็นเนี่ยคือผู้ฆ่าอย่างแท้จริงหิวที่ได้ยิน ก็คือผู้ฆ่าหิวที่จะรู้กลิ่นก็คือผู้ฆ่าหิวที่จะรู้รสก็คือผู้ฆ่าหิวที่จะนึกคิดเรื่องราวทั้งหลายทั่วไปก็คือผู้ฆ่าเมื่อใดเนาะจะเห็นตัณหาเป็นผู้ฆ่าเห็นตัณหาเป็นพยมามารเห็นตัณหาเป็นศัตรูเนี่ยนะถ้าใครที่เห็นได้อย่างนี้จริงๆนั้นนั่นเป็นสักข้องมีสัมมาทิฏฐินะที่เห็นต้นเหตุแห่งความทุกขอย่างแท้จริงว่าเออนี่คือเหตุแห่งความทุกอย่างแท้จริง ถ้าตันหาเหล่านี้ไม่มีความทุกข์จากมีไหมันนะั้ถ้าไม่มีตันหาเหล่านี้ความทุกข์จากมีไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตันหาเหล่านี้จึงเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็คนที่ศึกษาธรรมะเนี่ยนะจะต้องตั้งความปรารถนานะให้ชัดเจนที่ที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับสันติบทยานที่บอกว่าความดับตันหาได้เป็นสุขเนี่ยนะความดับอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งตันหาได้เป็นสุขท้าดับ ตันหาได้เป็นสุขเมื่อไหรเราจะดับตันหาได้เนาะเมื่อไหรจะดับความหิวหิวด้วยอํานาจตันหาเหล่านี้ได้เนอถ้าดับความหิวด้วยอํานาจตันหานี้ได้จึงเป็นสุขอย่างอย่างแท้จริงเนี่ยนะก็ตั้งความปรารถนาไว้เลยเจริญกุศลที่ไหนไหว้พระที่ใดเนี่ยนะให้รังเกียจเหมือนกับรังเกียจตันหาเหมือนกับรังเกียจโทสะโทสะนะสัตว์ทั้งหลายรังเกียจง่ายรังเกียจไม่ยากเราเรามีโทสะเราก็รังเกียจที่โทสะมันเกิดใช่ไหม เห็นผู้อื่นม <hizo> ีโทสะเราก็ร so so <standpoint> ังเกียจที่ผู้อื่นมีโทสะมีความโกรธแต่ถ้าเรามีความโลภเราไม่ค่อยรังเกียจเห็นผู้อื่นมีความโลภเราก็ไม่รังเกียจอีกนั่นแหละถ้าความโลภที่เรียกว่ารับได้นะรับได้ความโลภที่เราชอบใจเนี่ยนะเช่นความโลภในในสิ่งที่ที่ที่เราพอใจเนี่ยเมื่อไรนะเราจะเห็นความโลภอันนั้นมีโทษเท่ากับความโกรธเพราะฉะนั้นความโกรธนี่สัตว์ทั้งหลายเห็นโทษไม่ยาก แต่ความโลภนี้สัตว์ทั้งหลายเห็นโทษยากนักแลเมื่อไหร่นะตันหาในดอกไม้จะจากดับออกไปเนี่ยนะเมื่อใดนะจะตัดฉันทราค่าในดอกไม้นี้ได้ถ้าถ้าตั้งความปรารถนาแบบนี้ได้เมื่อไหร่ก็แจ๋แล้วนะป้าเพ็ญศรีเคยตั้งความปรารถนาไหมด้วยสาธุด้วยบุญที่เกิดจากการเรียนพระธรรมศึกษาพระธรรมให้ตัดฉันทราคาในดอกไม้ให้ได้ ก็ต้องต้องตั้งความปรารถนาอย่างนี้นะต้องสะสมอัธยาศัยเหล่านี้ให้ดีๆตอกย้ำให้มีอัธยาศัยเช่นนั้นจริงๆถ้าไม่มีอัธยาศัยอย่างนั้นอย่างแท้จริงพ้นทุกข์ไม่ได้หรอกมันก็แม้แต่ระดับสูงขึ้นไปก็ตั้งความปรารถนาไว้ชัดเจนเลยว่าเมื่อใดเนาะจะดับฉันทราคาในผมได้เมื่อใดนาจะดับฉันทราคาในอะไรด้ในขนได้ตัดฉันทราคาใน คิ้วได้ในขนตาได้ในหนวดในเคราเป็นต้นตัดฉั้นราคะได้หมดเลยเมื่อใดเนอจะตัดฉั้นราคะในเล็บได้เมื่อใดจะตัดฉั้นราคะในฟันได้เมื่อไรจะตัดฉั้นราคะในหนังได้ในเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตัดฉั้นราคะในปฐวีตัดฉันทราคะใน อาโปตัดชั้นราคะในวาโย ο, ตัดชั้นราคะในรูปเสียงเปลี่นรสโพธพาและธรรมรมทั้งหลายเมื่อใดจะตัดชั้นราคะในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณได้ผู้ใดดับชั้นราคะในสิ่งเหล่านั้นได้ผู้นั้นจึงประสบแต่ความสุขโดยส่วนเดียวนั้นพระองค์เนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยคือใครถ้าตั้งคําถามว่าพระพุทธเจ้าคือใครพระพุทธเจ้าคือผู้รู้เหตุเกิดความดับอัฏฐาธาอาทีนวะนิสรณะของ มหาพูดพระพุทธเจ้าคือรู้เหตุเกิดของผมความดับของผมความน่าชื่นใจของเส้นผมและโทษพิษภัยของเส้นผมพระพุทธเจ้าคือผู้ตัดฉันธราคะในเส้นผมอันนี้คือถ้าขยายละเอียดลงมานะพระพุทธเจ้าคือผู้ที่รู้เหตุเกิดของขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นเป็นอย่างดีรู้ความดับเหตุอะ น, นะดับ ผมขนเล็บฟันหนังเนื ali, lady, ้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกของสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างดีขณะเดียวกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ความน่าชื่นใจของร่างกายร่างกายเหล่านี้เนี่ยนะที่ที่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกถ้าไม่รวมกันเขาก็ไม่เรียกกายใช่ไหมแต่เมื่อรวมกันก็เรียกว่ากายเรียกว่าหมู่เป็นที่ประชุมก็เรียกว่าสีระร่างกายสีระร่างกายเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความชื่นใจ เป็นที่ตั้งแห่งความดีใจสังเกตดูนะใครสุขภาพดีๆหน่อยเนี่ยโอ้ยชื่นใจใช่ไหมดูเหมือนก็ไม่ค่อยเหมือนกับไม่มีปัญหาอะไรดีใจไม่เคยว่ามันมีภัยอะไรนะนจะลุกจะเดินจะเหินจะคล่องเราไม่คิดว่ามันมีภยัยมันดีไปหมดเลยอันนี้แหละเขาเรียกว่าสอสสาธะของกายเหล่านี้เพราะเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความชื่นใจแต่สิ่งเหล่านี้มีโทษมีภยัยมีโทษจริงๆนะวันก่อนเนี่ยไปเห็นไปเยี่ยม แม่โยมอะไรนะียโยมต้มเชื่ออะไรเนะี่ยป้านงเยาใช่ไหมก็ <c oughs> <c oughs> เป็นโรคปอดเนี่ยนะโรคปอดน้ําท่วมปอดเนะี่ยนะอหายใจเหนื่อยมากถามว่าโยมอาการเป็นยังไงบ้างก็บอกเหมือนขึ้นเขาอยู่ตลอดเวลาเหมือนคนขึ้นภูเขาอยู่เราเคยขึ้นเขาแล้วหอบไหมเหนื่อยไหมบอกว่านั่นแหละก็กเหมือนขึ้นเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าออกซิเจนไม่ค่อยพอ มันก็หายใจไม่ค่อยไม่สะดวกกันนะน้ําก็ท่วมปอดพอเจาะน้ําออกไปทีก็สบายทีถ้าน้ําแต่ก็อย่างว่านะที่ไหนถ้ามันนิ่งที่นั้นน้ําท่วมร่างกายของเรานะถ้าส่วนไหนมันนิ่งที่นั้นน้ําจะท่วมเพราะฉะนั้นปอดถ้าปอดมันนิ่งออกซิเจนมันเข้าไม่ได้อะไรไลยก็น้ําท่วมปอดน้ําท่วมปอดก็เหนื่อยนอนอยู่เฉยเฉยเหนื่อยเหมือนขึ้นเขาเนี่ยนะเออคิดดูนะว่ามันขนาดนั้นนะนอนเฉยเฉยเหนื่อยเหมือนขึ้นเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราปอดเนี่ยมันไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ ปอดถ้าสมมติถ้าเราตอนเราหายใจสดชื่นหายใจลึกๆสบายเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมโอ๊ยน่าชื่นใจจริงๆหายใจรับอากาศดีๆแหมชื่นใจเหลือเกินแต่ถ้าปอดมีปัญหาเข้าปอดมีปัญหาน้ําท่วมปอดเลยนะมันเหนื่อยตลอดเวลาหอบอยู่ตลอดเวลานอนก็ไม่ค่อยหลับกินก็ไม่ได้เพลียเหนื่อยเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาดีนะว่ายังมีธรรมะอยู่ในใจบ้างไม่เหนื่อยทางจิตวิญ ญ, ญาณ เหนื่อยเฉพาะร่างกายถ้าเหนื่อยทางจิตวิญญาณด้วยไปกันใหญ่เลยนั่นเขาบอกว่าเมื่อก่อนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะนี่กลัวมากๆเลยกลัวว่าตายว่างั้นเถอะแหมวันๆหนึ่งก็ได้แต่บนอ้อนวอนขอร้องบนบานศาลกล่าวขอให้หายขอให้หายขอให้หายขอให้หายก็เที่ยวบนขอร้องตัวเต็มไปหมดใช่ไหมตอนนี้ศึกษาพระธรรมบ้างแล้วได้ยินได้ฟังพระธรรมบ้างแล้วก็ก็เลิกทุกข์ไปเยอะแล้วชีวิตของคนป่วยก็เลยกลาเป็นสวดมนต์เนี่ยนะ ตื่นเช้ามาก็อารหังส้ำ ม, มาสัมพุทโธอิติปิโสสมาทานซีนก็บอกว่าสวดมนต์บ่อยๆนะบอกว่ามันกล่องไปบอกนี่ต้องสวดมนต์ให้มันในเท่าอายุนะจะหายไวๆนะเราไม่ได้บอกว่าหายจากอะไรนะบอกจะหายไวๆ ใ, ให้สวดมนต์เท่าอายุอิติปิโสเท่าอายุก็ยังดีมันก่อนวันหลังเมื่อวานไปทำเป็นไงสวดมนต์เท่าอายุหรือเปล่าบอกไม่รู้เท่าหรือเปล่าไม่รู้สวดอยู่เกือบทั้งวันเหมือนกันนะแสดงว่าเกินอายุแล้วก็สวดไปเหอะให้มันระลึกถึงพระพุทธเจ้า คนเรามันเป็นอย่างไงนะไอ้ความทุกข์ทางร่างกายเนี่ยถ้าคิดถึงแล้วมันปวดถ้าไม่คิดถึงไม่ปวดคิดง่ายๆเหมือนเราปวดอุจจาระปัสสาวะเนี่ยถ้าเราคิดถึงมันจะปวดทันทีแต่ถ้าเลิกคิดนั้นมันเลิกปวดปวดท้องปวดตับปวดร่างกายมันเหน็ดมันเหนื่อยก็เหมือนกันถ้าคิดถึงแล้วมันจะเหนื่อยคิดถึงแล้วมันจะป่วยทันทีถ้าเราเปลี่ยนไปคิดอีกเรื่องหนึ่งคิดถึงเรื่องพระรัตน์ตายนี่มันมันเทาลงแต่กลับมาคิดใหม่ก็ป่วยต่อเนี่ยนะ ถ้ากลับมาคิดใหม่ก็ป่วยต่อทั้งการที่คนที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะศึกษาพระธรรมศึกษาสมถาวิปัสนาศึกษาพุทธคุณธรรมคุณสังกคุณไว้เป็นอย่างดีเตียงสุดท้ายจะได้มีเครื่องอยู่ไม่งั้นนะมีแต่เตียงให้นอนใชยเแต่จิตใจเนี่ยโอ้ยเดือดร้อนมากๆแล้วขณะเดียวกันเนี่ยนะถ้าใครที่ทําบุญเอาไว้น้อยเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยจะนึกถึงได้แต่บาปเราคิดดูนะสมมุติถ้าเราเป็นคนไข้ที่มีเวลานอนอยู่ในเตียงทั้งวันเนี่ยนะ คิดถึงอะไรเอ่ทำอะไรมามากโดยมากสัตว์ทั้งหลายก็จะคิดถึงสิ่งนั้นถ้าตายตอนนั้นถ้านึกถึงกายกรรมกายกรรมนำเกิดถ้านอนตอนนั้นนอนคิดไปคิดมานึกถึงวิจีกรรมวจีกรรมนำเกิดนึกถึงไปพูดอะไรกับใครที่ไหนพูดเรื่องอะไรคิดไปคิดมาตายเลยตัวนึกถึงคำพูดนะนะ ตัวคำพูดตัวนั้นจะนําเกิดเพราะฉะนี่นของมาจึงบอกว่าไปสวดมนต์ไว้เยอะๆจะได้ไปนึกถึงไปสวดมนต์ที่เจดีตรงนั้นก็สวดไว้แล้วเจดี JD ตรงนี้ก็สวดไว้แล้วไปนึกถึงกิริยาอาการที่กราบที่ไหว้พระเจดีนึกถึงการเดินวนเดินรอบพระเจดีเป็นต้นขนาดนึกอย่างนั้นก็ยังเหตุเกิดแห่งชาติใหม่อยู่ดีแต่ก็ยังดีนะก็ยังดีให้ไปสู่สุขติไว้ก่อนก็ยังดีแต่ถ้าเราเจริญกุศลธรรมเอาไว้น้อยๆนะโอ้โหหน้ากรุณาจริงๆเลย ดูก่อนท่านผู้เป็นเช่นเราถ้าเราเป็นเช่นท่านเราก็เดือดร้อนแน่ถ้าเราเป็นเช่ น, ท, น, นะ น, ชนท่านเราไม่มีพระรัตนตไตยอยู่ในใจเลยเราจะเป็นยังไงเนอะเราและใครคือศัตรูของเรากันเนาะบนบาปเป็นของเฉพาะตัวไม่ใช่หรือความโลภความโกรธความหลงเป็นของเฉพาะตัวไม่ใช่หรือความโกรธเป็นของใครเป็นสมบัติของผู้ใดความหลงเป็นของใครเป็นสมบัติของผู้ใดความไม่รู้ความโง่เคลาเบาสติปัญญา การทําบาปทางกายทางวาจาและชางใจเนี่ยเป็นสมบัติของใครถ้าเตียงสุดท้ายแล้วไประลึกถึงสิ่งนั้นสิ่งนั้นจะนําเกิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําคําที่เราพูดในอดีตก็ยังน่ากลัว น, นะถ้าคิดถึงบาปก็ยังน่ากลัวนึกถึงบุญยังน่ากลัวเลยทําไมจึงยังน่ากลัวนึกถึงบุญ เพราะนึกถึงบุญก็ยังนําไปสู่ชาติชรามรณนะโศกปริเทวทุกโทมนัสอุปายาตอีกเพราะฉะนั้นนึกถึงบุญได้ในตอนตายตอนใกล้จะตายคิดถึงบุญก็นํามาเกิดเป็นมนุษย์นี่แหละเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ถามว่ายังป่วยอยู่ไหมเพราะว่าชีวิตของคนเราทั้งหลายไม่ได้ทําบุญไว้อ ย, อย่างเดียวจริงอยู่บุญนําเกิดแต่บาปก็ไม่เลิกราบุญพามาบับตามเบียดนะนะคือว่าบุญพามาแต่บาปตามบางัง มิพามาแต่ศัตรูตามหักรานฉันใดถ้าเราทำบุญไว้ดีถึงบาปพาไปอบายแต่มิสหายคือบุญก็ย่อมตามไปช่วยเหลือเพราะฉะนั้นบาปนี้ไม่เป็นอุปการะต่อสัตว์เลยบุญเป็นอุปการะต่อสัตว์โดยส่วนเดียวทำยังไงที่จะให้ใจนี้เป็นไปกับบุญให้มากๆทีนี้บุญตัวนี้เนี่ยถ้าใครคัดสรรจนเห็นได้แต่บุญล้วนๆเขาก็เริ่มคัดบุญคัดบุญ ให้บุญประกอบด้วยศรัทธาที่เป็นสัททินสีบุญที่มีวิริยะคือวิริยินรีบุญที่เป็นสตินสีสมาธินสีและปัญญินรีก็เจริญอินรีห้าเหล่านี้นี่แหละอาศัยวิเวกเจริญอินรีห้าที่เป็นไปกับสมถะเจริญอินรีห้าที่เป็นไปกับวิปัสสนาเจริญอินรีห้าเพื่อให้อริยมรรคเกิดเจริญอินรีห้าที่โอนไปในพระนิพพานเนี่ยนะ ก็เจริญพระห้าโพธชงเจ็อริยมรตมีองค์8ดก็เหมือนกันเจริญองค์มรตที่เป็นไปกับศีลเจริญองค์มรตที่เป็นไปกับสมถะเจริญองค์มรตที่เป็นไปกับวิปัสนาเจริญองค์มรตเพื่อให้อริยมรตเกิดองค์มรตเบื้องต้นเป็นโลกิยะตั้งโลกิยะเหล่านี้เพื่อให้โลกุตระเกิดถ้าโลกุตระเกิดก็จะทาให้แจ้งอริยสัจโดยชอบโดยถูกต้อง ถ้าหากว่าเห็นอริยสัจโดยชอบโดยถูกต้องก็สามารถที่จะนำมาเสื่อความพ้นทุก์ได้ผู้ที่พ้นทุกผู้ที่ดับทุกได้โดยที่ไม่เห็นโทษภัยของขันห้าไม่มีเห็นไหมครับพระพุทธเจ้าคือผู้ที่รู้เหตุเกิดของขันห้าความเกิดของขันห้าโดยอาการ25หรือความดับแห่งขันห้าโดยอาการ25รู้เหตุเกิดและความดับของขันห้าโดยอาการ 50, ห้สรู้ความน่าชื่นใจของขันห้า ขณะเดียวกันก็รบรู้พิษภัยโทษภัยของขันห้าโดยประการทั้งปวงจนพระองค์ตัดฉันทราคะในรูปได้อย่างเด็ดขาดตัดฉันทราคะได้อย่างเด็ดขาดตัดฉันทราคะในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้อย่างเด็ดขาดพระองค์ตัดฉันทราคะได้ตัวที่ตัดดาบที่มาตัดก็คืออริยมรรคเมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วนั่นแหละจึงขาดจริงๆถ้ายังไม่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ยังท่องเที่ยวไปในขันห้าอยู่ มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอารมณ์อยู่ก็ยังมีปฏิสนธิอยู่ถ้ายังมีขันห้าเป็นอารมณ์ยังมีปฏิสนธิถ้าไม่มีขันห้าเป็นอารมณ์เมื่อไหร่ก็เลิกเป็นอารมณ์ของจุติและปฏิสนธิฉวันการศึกษาการปฏิบัติธรรมของเราทั้งหลายก็ตั้งอัธยาศัยเอาไว้ก่อนตั้งอัธยาศัยเอาไว้ก่อนถ้าไม่ตั้งอัธยาศัยให้ดีๆให้ให้เพียงพอให้ชัดเจนยังไงก็บรรลุไม่ได้ เพราะฉะนั้นอัตตะสัมมาปณิทิจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะบัณฑถ้ากล่าวโดยสรุปที่กล่าวมาในเบื้องต้นเบื้องแรกให้เราทั้งหลายตั้งอัธยาศัยให้เห็นคุณของพระรัตนะไตรให้ดีๆให้เห็นคุณของศีลเพราะศีลเลยนะสุขติงยันติศีลเนี่ยนำมาซึ่งสุขติศีลนี่ยนำมาซึ่ง พ, พร ะ, ะนิพพานบัณฑ์ถ้าเรารักษาเจตนาศีลสังวรศีลอวีติกมะศีล ศีลคือการรักษาเจตนารักษาเจตสิกรักษาสังวรรักษาความไม่ล่วงละเมิดรักษาศีลอันนี้จนเป็นศีลวิสุทธิรักษาศีลให้ดีแล้วตามระลึกถึงศีลอันนี้ก็เป็นศีลานุสติกรรมทานแล้วก็ผู้ที่รักษาศีลดีก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงรู้เห็นทางแห่งนรกเป็นต้นเพราะทุศีลเห็นทางแห่งสวรรค์เพราะมีศีลเมื่อเห็นทางแห่งสวรรค์อย่างนี้แห่ง แม้กระทั่งทางแห่งสุขติโลกสวรรค์ทางเหล่านั้นก็ยังนำมาซึ่งโสซกะปริเทวทุกโทมนัสและอุปายาตสวรรค์ทั้งหลายก็ไม่ได้พ้นจากดินน้ำลมไฟดินทั้งหลายก็เพิ่มพูนป่าช้าน้ำทั้งหลายก็นะเพิ่มน้ำตาเพิ่มน้ำเลือดเพิ่มน้ำน้องเพิ่มน้ำเงือเพิ่มพูนน้ำทะเลแห่งวัตตะเพิ่มพูนน้าตาแล้วก็ไฟทั้งหลายก็เมื่อเกิดมาแล้วที่ใดบั่งไม่เป็นป่าช้า ให้ศัตว์ทั้งหลายถูกแผดถูกเผาไม่มีแม้กระทั่งในบ้านเรายังบางทียังเป็นป่าช้าเนี่ยบางคนเนี่ยเผาหมดเป็นๆอย่างเงนะตรงนั้นก็คือป่าชา้าเผาหมดดีๆนี่แหละสุสารที่เผาหมดเนี่ยนะมันทุกแห่งเนี่ยเป็นที่เข็นเป็นที่ฆ่าเป็นที่การทําบาปเป็นที่ทําอกุศลมันก็จะเริ่มเห็นภัยในสิ่งเหล่านี้นะเห็นภัยในสิ่งเหล่านี้รู้ว่าแต่ที่ทําบาปทําอกุศลก็เนื่องจากสิ่งอันเป็นที่รักเป็นที่พอใจ แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็เกิดจากความรักความพอใจที่มีอยู่ในในใจของเรานี่แหละมันเจริญกุศลตั้งทําบุญตั้งความปรารถนาเพื่อดับฉันทราคะมันโบราณก็บอกว่าอาสวัคยวหังนิพานนางโหตุนางเขาบอกว่าขอจงเป็นไปเพื่อตัดอาสวะไขตัดฉันทราคะที่มีอยู่ในใจเพราะฉันทราคะเหล่านี้นี่แหละเป็นความหิวแต่เป็นหิวที่เลวร้ายมากเป็นการหิวหิวที่จะดื่มยาพิษหิวที่จะดื่มกองทุกข